เป็นความส ง, งบจิตส ง, งบใจซื่อๆนี้เพิ่งวางทันวินนปัสนากรรมาฐานนั้นเป็นอุบายให้เกิดปัญญาเพิ่งวาดังนั้นเขาเคยได้ยินครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังว่าคนจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะปัญญาเพิ่งวางทันว่าม่นคนจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะนั่งส ง, งบเพิ่งวางทันนี้ครูบาอาจารย์เพิ่งเล่าให้ฟังดังนั้นต้องฟังแล้วต้องเข้าใจการเคลื่อนไหวของเหาเื่นี่มันเคลื่อนไหวอ ย, อยู่ตลอดเวลาทําเพื่อหยั่งทัน ทำเพื่อคนรู้สึกตัวรู้สึกตัวตื้นตัวรู้สึกใจตื่นใจบ่ให้มีความเศร้าหมองบ่ให้มีความซึมเศร้าบ่ให้งกง่วงบ่ให้มีใจหดหู้เเพราะว่าหดหู้ทางพี่ว่าใจหดหูถามข้าเจ้าว่าหดหู่หลวงพ่อว่าภาษาบา้านหลวงพ่อว่าใจหดหู้ถ้าจิตใจเศร้าหมองจิตใจงกง่วงจิตใจหดหู้จิตใจซึมเศร้าพูนว่าบ่มี กำลังใจกําลังสติปัญญากรบโโบมีเพิ่นวา่างสันดังนั้นคนเราเป็นทุกข์เพราะเราเราบม่รูจ้จักมันเองดังนั้นมาเจริญนิพพานเพิ่นวิปัสนาก็ได้หรือว่ามาเฮตซื้อก็ได้จีวาตแหนก็ได้มันเป็นเรื่องสมมุติเพื่อโบให้มันสงบในด้านนี้อันความสงบแบบหนึ่งสงบแบบนําแข็งสงบแบบนี้โบเมสงบแบบนําแข็ง แล้วมู่แต่เฮาคงจเคยได้เห็นน้ำแข็งเคยได้เห็นน้ำแข็งบอครับเคยได้เห็นน้ำแข็งบ <S <S เออเห็นกับว่าเห็นแม้คันมันโบได้เห็นมันกับบุงผู้จักคำพูดกันน้ำแข็งนี่เป็นก้อนใ ย, ยๆแบบนี้เอาไปวางไว้ตากแดดตากลมโบอยู่ได้ผลเท่าไหร่ละล่าหลายเป็นน้ำเมื่น้ำแข็งอันความสงบแบบพาเป็นนั่งสงบอย่นี้ก็คือกันเมื่อไปสู้อารมณ์มีคนตำหนิ มีคนมาายุเย อ, อยจางซันจะเกิดตึ๊บพราลดง่ายตึกแทแลไปโหลดโบสู้ได้เป็นจางซันเนี่าพอในผู้อื่นที่จีวะางันได้บูกจักโอมันสู้โบได้บาดในน้ําแข็งนี่กินเข้าไปมันเย็นมันเนยเ็นจิ้วขึ้นไปในท้องในไซส์ของคุณบดเดือนน้ําแข็งนั้นมันหมดหมดกพิเย็นมันลาหลายออกเป็นเหือเนี้ยวตนเนี้ยตัวนั่นลงเพราะคำนวณจางซัซื้อ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 ลงลึกๆ ล, ล, ลึกไปเท่าด้ยิ่งเย็นทวานน้าอันนั้นขันยูม อ, มอมอแต่ฟังนี่อุ่นลงไปลึกก็เย็นลงไปดําลงไปลึกก็เย็นิ่งเย็นอันนี้ก็คือกันที่อย่างพอวาอย่างนี้นถ้าเราเคลื่อนไหวมากๆเนี่ยบางทีคนมาว่าเราจีบบได้ยินสำพุนเนี่ยมันเซไปได้ได้ยินมันจีบบไปรับอารมณ์อันนั้นเพราะเราเห็นความคิดเราอยู่ในการเคลื่อนการไหวเนี่ย จะมาเคลื่อนไหวภายนอกตะ ก, ก่อนอย่าสู่นั่งนิ่งๆถ้าหากว่ได้นั่งนิ่งๆไปติดคว่มสงบแบบนำแข่งบนในแบบนำลึก <c oughs> คนอยู่ในถ้ามันมืดเนีย่ยพอเปียบเทียบให้ฟังเขาจุดไฟขึ้นคมมืดหายไปแต่คมมืดมันว่าหายจากเหาเนี่ยเหาอยู่นันคมมืดท่เนี่เอาไฟมาเบื้องทางหน้าที่มืดมันมาข้างหลังคุณ เอาไฟมาข้างหลังมืดมาข้างหน้าเอาไฟไปข้างซ้ายมืดไปข้างขวาเอาไฟไปข้างขวามืดมาข้างซ้ายเพราะเหาอย่างยู่ที่มืดั่านนีอันสมถกรรมาฐานก็คือกันบ้มีความสว่างในใจอย่างพอผู้อื่นให้จิเป็นเสน่หบูมฮุจกักบาตมาหิการเคลื่อนไหวนี่มีความสว่างในใจขึ้นเบาอกเบาใจขึ้นเป็นหลังสันพิจกันในเถรจึงว่า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 เฮาบ่เห็นจักเถื่อบ่เคยว่าหามันจักเถื่อจิตใจแต่บางคนเนี่ยพอได้ยินเนี่ยพก็เคยว่าซัมเนีธบางทีโอ้ใจหายแท้แท้ว่าสันจะบ่ได้ว่าอารมณ์คนกรุงเทพเพูนว่าอารมณ์บ่ดีอารมณ์เมื่อเนี่ยอารมณ์ศูนเสียวพูดว่าอารมณ์ขุนมัวว่าสันอารมณ์เศร้ามองพูดว่าสันบ้านอย่าพ่อบ่ว่างสิโอ้ใจหายแท้แท้เมื่อเนี่ยอย่ามายุ่งนะเนี่ยว่าเป็นเนี่ยพก็เคยได้ยินผู้อุนกว่าเนี่ยพ่อก็ว่า ไอ้น้องมาหาโอยอย่ามายุ่งใจให้เนี่ยว่าไปบางทีลูกเมียไปหากับเว้ากันโอ้อย่ามายุ่งใจให้เนี่ยว่าไปคันหูจักว่าใจให้เขาเท่มปุ๊ลุงเสแล้วมันก็แล้วซื้อนี่นะ่ะมันเว่าวเปลี่ยนซื้อน อ, อย่างเงะหลักษณะคนเว้าเปลี่ย น, นเนี่ยโบแมนเนี่การพูดจากร้อยคำพันคำหมื่นคำแสนคำล้านคำก็ตามสู้การยกมือเท่เดี้เนื้อโได้การกระทํานี่ยมันทําให้เรารู้สึก ราบซึ้งตึงใจแต่เทนี่เดียวาพ่อเป็นนางสันเจียงว่าหลวงพ่อก็เลยหาเอาวิธีที่เป็นบ่มีในตำรับตำราดอกคนบได้อ่านหนังสือคักมันก็บ่มีละ่ะคันถ้าคนอ่านหนังสือคักคักแล้วมีรถตำลามีบ่อนใดย่อเห่าเคลื่อนเหาไหวเนี่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้มีสติกำหนดรูเด้ในอิริยาบรทั้งที่ยืนเดินนั่งนอนคู่เยกเคลื่อนไหวนี่เป็นบอกอันเอาเฮ็ดนี่ก็เม่นการ ผู้เยเคลื่อนไหวนั่นี่โมีดเอื้นไก่ด้ยคันบยเฮต์นังเซให้คนมันบุ้งจักวิธีเฮต์มันนังนิ่งๆเนี่ยบางคนว่าเอาเป่าลมหายใจกด้ได้บวบได้ยังไหแต่ว่ามีดเนน้อยสมมุติเอาฝันไม่ใหญ่ๆหญ่ดมันบุขาดด้ลองโบมีดคันมีดเนยน้อยคมดีมีดน่ะนะต่ฝันไม่ใหญ่ๆ่นี่ยโอ้ยบุขาดมันสอยเอาทีละน้อยเนี่ยมัเดือกัมีก็หักซ้าไปนะ บัดนี้เหตุวิธีเนี่ยพอวานเนี่พาอิโตบักเงีง่ายทางพี่เอินว่าพาอิโตบัด ห, หนึ่งแดงพาเงี้ยญ่าเนี่ยมิตโตทางบ้านเ่พอดีว่าเอินพาอิตโต้บัดนึ่งเอิมิตโตพาใหญ่ๆเนี่ยขวดใงี่น่ซัดใส่ใคมหนาแล้วฟาตุ้มเข้าไปมันเ น, าน่าหน่อยพูนวะมันบวชขาดมันก็เน่าเปื่อยออกมาที่เล็กทีน้อยหักรถไปเดียวใหม่เรื่องโทสะโมหะโลภะนี่กะ มาแต่เ่ารู้เขาบ่อยๆเราเมึงว่าแนแลนแต่กุ้นกุ้นไปโหลดบนเด็กคนห่าวเห็นมันเป็นอะไรัวนี้นี่จึงว่าความสงบจริงๆมีอยู่สองอย่างสงบแบบน้าลึกเรียกว่าสงบวิปัสสนากรรมาฐานสงบแบบน้ําแข็งนั่นเรียกว่าเป็นสมถกรรมาฐานดังนั้นสมถกรรมาฐานจึงเป็นอุบายให้สงบผิดสงบใจซื่อวิปัสสนาน่ยเป็นโลแทกเตอร์ไถหากไขคนมันออกไปรถไปเดียวเป็นว่า ลากมันโยนใส่ไทยออกไปหลายเทือห้าเล็กห้าน้อยขาดมัต้นไม้ไงมันต้นไม้ไงหงไงเนี่ยเหาเบิ้งรถเฮกเตอร์ขัเจ้าเฮ็ดถังเนี่ยพอไปเบิง้งเอาเอายกกัระสีอไทยไปมันเนื่องไปรถไทยท้งก้นพี่รถโย่ไปไถบ้าหนูพ่อเรียว่าจะเนี่ยทางพี่ว่าจสน่ห์ซุกไปในิวาเสนาไทยไปนี่ดันไปเออเนี่ยมันบูมจักกันความหมายผิดกันเลย คนไทยได้แท้แหละในวอลยังโบคือกันดันไปอัศจรรยเนี่ยเนี่ยพราะว่าว่าไทยไปอัศจรรย์นิวไปอัศจรรยนี่พอดันไปเนี่ยมันผิดกันแต่การฟังคําพูดของหลวงพอนั้นถ้าหลวงพ่อพูดเป็นภาษาเมืองเลยยางซีแล้วฟังหยักหแต่ฟังบ่อยๆฟังเพื่อความเข้าใจโอ้หลวงพาวอลจังสันเป็นวอลจังสันเด้นจีเดียร์หูจักจงั่นดังนั้น อันมาเฮ็ดเดียวนี้เนี่ยเอิญมาเฮ็ดวิปสัสนาเฮ็ดกับทำอันเดียวกันเนี่ยทำเฮ็ดมาสักทำกับเฮ็ดกันเดียวกันบ้านหลวงพอ่อทางพี่จีวาบวัววาเฮ็ดวิปัสนาอะไรวัดทำมาสักว่าสร้างมาสักเป็นวาจังหวะให้เข้าใจพิษตากับหัวมืออันเข้าเฮ็ดจังหวะเนี่มันใหญ่เนี่ยยกมือไปมือมายู่กไกลๆจากสิบบาทยี่สิบบามองไกล น, นิดจากสามสิบบาก็มองเห็น เ, นเห็านเลยเขายางไปเนี่ย เห็นยกมือไปมือมาเหอันนี้มันใหญ่ให้เาหัวจักว่าให้หัวจักส่วนใหญ่เดี๋ยก่อนบันนี้พียบตาบันนี้สิบวายี่สิบวามองโมเหตุขันตาบูดีเข้าไปในระยะจากห้าวาที่มองเห็นมันเนี่ยมันละเอียดเข้าไปทางซันมันส่วนหายใจบันเดียห้าวาที่มองโมเห็นเนี่ยเข้ามาจากวาซองวาที่มองเห็นหายใจทอมันเตียงวูบวาบวูบวาบเห็นแล้วบันนี้ ส่วนคิดได้เห็นบ่บเห็นแล้วแบบนี้โตเฮามองกรบโวยเห็นเน๊ะผู้อื่นมองมาจียเห็นจังใดนี่เจียว่าคนอื่นเจีมาหูคนเฮาบวดาเฮาต้องหูคนมู้พระเฮาคิดอันนี้เฮาตรงหูเฮ็ดอันนี้มันจียมหัจากคมคิดพูก น, นี้มันจะไปทําลายคมคิดพูนเนี้บ่แม้ทําลายตายที่บุแม่ยังสันนี้ทําลายจีบ่ให้โทสะโมหะโลภะเกิดขึ้นพุน้นทุกเพราะโทสะโมหะโลภะ โบมินทุกพโธสะโมหะโลภะก็ได้ขจีว่าเป็นสองสั์กับกันเพิ่นวะทุกพโธสะโมหะโลภะยุ่ิสายสินมีโบเดี๋ยวนี้โบมีแล้วมูไม่ออกเคยโกดเป็นบะโกดเป็นวะเดี๋ยวนี้โกดโบเดี๋ยวนี้นะเนี่ยเขโกดจึงบบมีในตัวเหาเนี่ยมู่หลวงพ่อโกดเป็นบะเดี๋ยวนี้โกดโบเดี๋ยวนี้นะเนี่ความโกดจึงบบมีในเหาอันเหาโกดเมื่อใดนั้น เขาหลงตนลืมตัวหลงกายลืมใจหลงชีวิตหลงจิตหลงใจเขานี่ซื่อๆดีหน่อยมีพูะเดชมาว่ามันหลงแล้วไปเบิ่งแต่ข้าเจ้าุ่นมันเกิดปุ่งแตงขึ้นไหมจีวาวิธีง่ายง่ายอื้อใจเดียวก็ได้รถคนมีปัญญาฟังแล้วเนี่ยพอเว้าเนี่ยแต่ว่าหากยิบุ้งเขาจากภาษาเท่านั้นล่ะความจริงแล้วถ้าหากเขาบ่หลงตนลืมตัวบ่หลงกายลืมใจบ่หลงซีกจะจักเถ้า ไปใส่มาใส่เบิ้งชีวิตเนี่ยไปใส่มาใส่บ้านหลวงพ่อทางนี้อาจจะว่าไปไหนมาไหนอาจจะว่าอย่างสังกัดได้นะมันบ่งหุจกักแต่ว่าไปไหนมาไหนบ้านหลวงพ่อคันว่าไปไหนมาไหนเนี่ยว่าไทยวนวลทางพุนทางเมืองแพร่เมืองน่านคุณเอิญไปไหนมาไหนเนี่บ้านหลวงพ่อเอิญไปใส่มาใส่ว่าันกพอฟังกันได้เป็นอย่างสันดังนั้นความสงบจึงมีอยู่สองอย่างสงบสมถะกรรมฐานนั้น บูฮู้จักพวกกามบูฮู้จักเนียพอเนียพอทามาแกสิทธนี่เนียพอกับบฮู้จักเรื่องโทสะโมหละลพ่อกับบฮู้จักบูฮูออ้จักแต่เนียพอผู้อื่นที่ีฮู้จักบูฮู้จักกับบบูฮู้จักเนียพอผู้นู้จักน้อยพู้นู้จักหลายแทบูฮู้จักเนียพอฮูอ้จักแต่ตัวเนียพอเองเนียพอนี่ทำบุญอยู่ครั้งหนึ่งให้กองกถินนะอันเนี้ยบูสมทำบุญ น, ญนั้นได้ทำบุญกองกรินในแท้ดีนะ หมอลำจ้างหมอลำ ม, มาลำแล้วก็จ้างนางไปได้ว้ากันแล้วกับไม่เอาไมเทียนนี่ยวะหน้าที่ของเจ้าเป็นผู้รับแขกแก้แขกเข้าผาน้ำให้กินแล้วก็เงินทองให้เจ้าเป็นคนจ่ายวะสัญญาพอว่าค่อยเป็นหน้าที่รับแขกต่างบ้านทางไกลรับสินแปกเนี่ยพอไ ม, ม่เอาไม่เถียนนี่ให้เรารับสินห้านเนี่มันเอาเปรียบเขาเนี่ยบทุกเรื่องเป็นอย่างนัญญ้นบัดนี้หมอลำลำแล้วเมื่อเสาเขาเจ้าก็กถามเอาเงินที่ ที่ให้ทอดายว่าสันกลมจริงว่ากันแล้วปุ๊บโอยพรอหนักบนโต๊ะอยู่ในใจแป่แต่มันยิ้มได้เพราะขนหลายนี่าอยู่ในเหือ น, นั้นยิ้มอยู่แต่มันหักบยยิ้มได้ว่าใจพุ่นน่ะหนักอยู่พอปันเอาโซ่สร้างอ้อมขออยู่พุ่นน่ะลุกโบก ข, ขึ้นพุ่นน่ะที่ให้ทอดายก็ให้แต่เนีบบ่ยเราก็รู้จักว่าอย่งพ่อเป็นอย่างมั้าดีๆอยู่เอากระถินไปทอนให้พระมาแล้วกับมือแรงกำลัง ก, ก, กินข้าวสองคน ที่กับลูกลูกสองคนอย่างน้อยแล้วก็พ่อแม่ให้ว่าจะไปข่าวนั้นเป็นพ่อคนแม่คนได้อย่างพอบัานนี้ก็เลวยุหนะเลาเรื่องอยากให้เขาหูวจักนั่นนะ่ะเขาก็หูวจักแล้วเขาหักบัอยากเลามันบูดีบ้า น, นี้เขาก็เลยถามว่าเจ้าอย่างว่าเจ้าข่มเก้าอย่างสั้นกว่าฉันเจ้าบ่าพอใจที่ค่อยเว่าให้เจ้ามือเศร้าดิฉันบ่พอใจว่าฉันนะโทษคนเราบูาหัวจักว่าเจ้าบ่าพอใจว่าฉันเราว่าเราก็เว้าเป็นซื้อเราก็ บ, บูหู้จัก เจ้านื้อตกนรกนอเฮตบุญเน้อบรได้บุญน้อสันละวะท้อเจ้าแมนข่มเราเด้ดเด็เ่ยพอเสื้อฟังหรดผู้ใดเว่าวคันมันพูกจังหวะเนี่ยพอเนี่ยฟังเสื้อทันทีรถมาเดียวอย่าพอโอ้แมนข่มเจ้าแล้วแบบนี้ว่านึกในใจมั้่แมนแล้วแมนข่มเขาแล้วเราตกนรกพื่อเดียวแล้วเด็ดเนี่ยวานรกที่ใต้ดินเน่ยพอโบไปเสื้อเนี่ยพอเน่ยพอตกนรกเดี๋ยวนี้นี่นะเก๊เดี๋ยวนี้นี่นะก้นนะอน่ยพอว่ามือเสารเนี่ยวา พูดไอ้ที่ไปตกนรกจ้าโยมพิบาลจดเส้นหนังมะเนาไปพูดได้ที่ไปสวรรค์ น, นั้นเทวดาจดเส้กระดาษทองคําไปวะท่านนั่งมะเนาเนีมันเหม็นอยู่ในใจคุณเขาบบเห็นใจเจ้าของพกอยู่ในใจคุณนย่าพอตั้งเต็มมือนั้นมารู้สึกเอาละบัดเนี้ยท่านถ้าเอาชนะสิ่งนีง้โบได้แล้วโบแล้วกันเรชีวิตเนี้ยอย่าพอตั้งใจวัดเจ้าคุณละ มู่เพิ่นไปปฏิบัติธรรมะเพิ่นจิตตั้งใจปฏิบัติอย่างไดนหบุห๋มหจักเนี่ยพอ่อญาพ่อมีความตั้งใจอย่างซี่มาตั้งแต่ ม, มื้อนั้นแหละมาเฮ็ดกองอาทิตย์แล้วก็ทำบุญให้ทานเฮ็ดมาอย่างนี้แต้มันโมเสาข่มโกดรักษาสิน้นแป๊ดหลวงพ่อก็รักษาแล้วมันโมเสาใจหายนี่นะมันโมเสาข่มโกดมันโมเสาข่มหลงนี่นะนี่บัมตมาเฮ็ด อ, อันนี้แล้วมันสามารถที่จะเสาได้เนี่ย จิตใจมันก็บงหงุดหงิดปันไดนี่นะไหศิวะแสงสัญกาตามสร้างเนี่ยเรื่องของข้าเจ้าบปนเรื่องของเราสิหยพอลูจังสี่จังว่าหยาพ่อทำกรรมฐานมาหยาพ่อบลูโบูโบ้คิดถึงซ้ําจังพวกกาลนี่ก็ได้กามมาสาวะภาวาสาวะอวิสาสาวะหยาพ่อโบ้คิดถึงจ้าเพื่อทำกรรมฐานมาตั้งแต่อายุสิบกว่าปีมาไหศิว่ะสัญกาตามสร้างว่าหยาพ่อว่าอวดดี งอต่เรื่องของตัวเองว่าเจ้าของเก่งอา้าเก่งแม่คนมีดีแล้วก็ต้องมาวาวแต่บไม่คนอวดดีได้เนี่ยคนมีดีแล้วเอามาเว้าสู้ฟังอันคนอวดดีนั้นอวดดีซื้ อ, อถามต้นสนตายบ่ได้จับกกจับตายบ่ได้ซีต้ น, น, นี้นี่โบแม่เนี่ยพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยพ่อปฏิบัติทเทเล็กเน่ ย, อยพอรู้เรื่องลูกน้ําจบเรื่องลูกน้ําแล้วกลับมาเนีย่ยพ่อก็มารู้เรื่องผมคิดทําลายเรื่องโทสะโมหะโลภานี่พักหนึ่ง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 วิญญาณขันมีสินจีนวะสินตัวเดียวเท่านี้อย่าพอรูปอันนี้ก็อยู่หน้าที่รูปอันนี้แล้วเวทนาสเสวยอารมณ์ก็มีสินแล้วนี้บบเนี้ยกระชี้ไปสเสวยไม่ให้ขมทุกข์ก่อนหันจากขอมีสินอ่ะอันผู้ใดไปรักษาสินยุ่ยังไปสเสวยขมทุกข์อยู่โอ้ยคล้ายๆคือสัตว์นรกนั่นแหละอันนั้นเป็นอยัาง น, นั้นไหมคือเทวดากับนอนคุยกันนั่นแล้วเป็นอย่างนั้นเมื่อหู่จักอันนี้แหละอย่างพอก็บหุจักโรูปเดีย โมจักสินขันสมาธิขันป virgin, ัญญาขันอาทิสินสิกขาอาทิจิตาสิกขาอาทิปัญญาสิกขาตําลาวางสันอันสิงขันสมาธิขันเนียอย่างพวานนี้โบมีตาลาอย่างพวบเห็นโบได้ยินครูบาอาจารย์ว่าให้ฟังอืมได้ยินเตาอาทิสินสิกขาอาทิจิตาสิกขาอาทิป <entrepreneur injuries> <eating. S 1> <master> ัญญาสิกขาสิกขาสามเพลินวายวางสันแต่เน่าพ่อไปเฮ็ดนันโบเมีนวางสันอาทิสินสิกขาอาทิจิตาเอออันสินขันสมาธิขันปัญญาขันพี่ หูจักอันนี้เริ่ไปหู้จักอันนั้นลดไปเดียวเจ้าบ่ต้องเรียนก็นได้เมื่อปฏิบัติจริงๆเรารู้จริงๆเมื่อรู้อันนี้แล้วโอ้สมถะกรรมฐานนี้มันได้บรุรูอันหมาหมุนเนี่ยมันได้บุรุษก็หูจักตามรดไปเดียวจากนี้ตัวเองไปนั่งทํากรรมฐานพุทโธธรรมโมอรหังพองยุบนั่งภาวนาดูลมหายใจเข้าออกสัญญาลมหยาบลมละเอียดโอ้ยเี่ยพอเห็ดมาพอแล้วตัวแข็งทือเนี่ยพอเห็ดมา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 จิตใจเปียนเข้าไปที่หึ่งสองเท่อนี้เป็ น, น, นอัไรท่นเจียงมาอ๋อกามาสาวะอาสาวะคือกามยินดีในอารมณ์กา玛าสาวะเนี่ยอารมณ์เย็น อ, อกเย็นใจเพือ่ออะไกจวนนัดของกามอารมณ์คนเอิญกามอารมณ์มันเป็นอารมณ์ซื้อๆใช่ปะกามาสาวะท่านอาสาวะคือกามแกโบ้หุ่นจักเนี่ยพอ พรวาสาวะอาสาวะคือภพอาสาวะคือยยกิเลสเพิ่นหวานอย่างสั้นว <|ar|>. ันนี้พรวาสาวะอาสาวะคือภพมันเป็นภพเป็นศาตร์ก็จุดเด่เห่านี่จังหวะอาสาวะคือกิเลสเป็นภพเป็นศาตรเพิ่นหวานอย่างสั้นจังหวะกามมาสาวะภาวาสาวะอวิสาคือขวบุมลูอวิสาคือบุลุภพบุลูศาต โบลูแจ้งว่าสั ง, สงกัดใดจึงโอ้บาตรนี้กามาสาวะเราทำลายมันแล้วบาตนี้พระวาสาวะเราทำลายภพซัดอันนี้ไปแล้วว่าสังกอวิสาสาวะเราทำลายอาวิสาอันนี้แล้วเป็นวิปัสสนาแล้วเข้าใจเลยเถอะมันเริ่มรู้จักมาตั้งแต่เ ม, มื่อรูปนามพุทธิเนี่ยพอว่าวิปัสสนาหูจักหลดโอ้วิปัสสนามันมาจางาังสีจนว่ามารู้จักวัตถุปรมาลัยก็รู้จักมาเข้ามาเข้าโย ยิ่งลงลึกเท่าใดก็ยิ่งเย็นเท่านั้นทำอิดลงยืนน้าต่อฟังนสะคอนอันลูป น, น้ํานี่ลงเข้าไปวัดวัตถุปลารมันนี่ก็ลงน้าเพียงอึกเพียงแอลนี่แล้วแบบนี้ลงเข้าไปถึงสี น, นี่ก่อนคลายๆลคือน้ําลึกแล้วก็ท่วมหัวเย็นจิ้วเข้าไปลเลยวแบบน้าไปลึกๆไดิเห็นตัวอวิสาตัวกามมาสะวะภ า, าวาสวาอวิสาสวาเนี่ยิ่งลึกแบบนี้ย่างบุษบกแล้วแบบนี้มันเป็นอย่างไรเ น, นี่มันเย็นควมเย็นมันจิงว่า ขวมเย็นผิดกันลงลึกเท่าใดยิ่งเย็นทหัดหนเพอว่าโบาไม่เย็นแบบน้ําแข็งอันนี้จนวารู้จักทําบาปด้วยกายทําบาปด้วยวาจาทําบาปด้วยใจนี่จะกายซื้อนี่ทําบาปไปตกนรกคุมใดถ้านรกมียนานจากปีจากเดือนหนึ่งหู้จักอย่างสั้นย่างอเห็นอย่างสั้นเข้าใจอย่างสั้นบัด น, นี้ทําบาปด้วยคําพูดคําพูดซื้ อ, อแกมือบบได้ไปทํา ว่าเขาโบดีจังสันอยองซื้อๆนี่ถ้าหานรกมีแล้วไปตกน้ลกขุมใดจากปีจากเดือนหูจกักจังสันเห็นจังสันบัดนี้ใจคิดซื้อๆเบอร์เนี่ยคำปากโบวาวโบปากโเว า, า, าใจหักคิดอยู่ทางสันและบัดนี้มือกับโบเหตจะคิดซื้อถ้าหากนรกมีจริงไปตกนล้ลกขุมใดนานจากปีจากเดือนสันหูจักสันแล้วบัดนี้ทำบาปด้วยกายทำบาปดว้วยวาจาด้วยใจพร้อมกันมดัดเบอรเนี่ ไปตกนาลกขุมใดไปตกอวีจีขุมใดนานจากปีจากเดือนวันทันในทางตรงกันข้ามบันเนทำบุญไป่ขายซื้อนี่มิไดเอามือให้ซื้อใจบวพรอของปากเว้าเถือะหักสวรรค์มีแล้วจิตไปยุตสวรรค์สั้นใดวันทันโบต้องถามไผ่บุญนี่หุจ่จักรถนานจากปีจากเดือนเนี่ยนิพานมีไปยุตดดินิพานสั้นใดวันทหุจักรวันทันบั น, นี้เว้าดีซื้อเฮา หากว่ามือโบได้เหตุได้ทำเราดีพูดดีพี่ไปน้องมามีแต่ต้อนรับคำพูดปากใส่ดีให้บปได้ตายไปแล้วไปยุ่นิพพานสัตยใดไปยุ่สวรรค์สัตน์ใดนานจากปีจากเดือนนสัตว์หูจักสัตว์บนันนี้ทำบาปด้วยเ อ, อทำบุญด้วยใจบนันนีใจคิดดีแค่มือโบทำปากโบบอกมีแต่ใจคิดดีซื่อๆนี่แหละหากสวรรค์นิพพานมีเราตายไปแล้วไปเกิดสวรรค์สัตย์ไหน ปายุนีสวรรค์ท่นใดหรือนิพานมีประยุนิพานท่นใดนานจากปีจากเดือนหูจ้จักกังสรรคบัดนี้ทำบุญเมื่อกาอยหนึง่งกายกระทำดีวาจากระพูดดีใจก็คิดดีพร้อมกันแล้วบรรเนี่ยหากสวรรค์มีนิพานนี่ะตายไปแล้วไปเกิดสวรรค์ท่นใดเป็นนิพานท่านใดนานจากปีจากเดือนเนีน่ยหูยจกักกังสรรค์ หู้จักเราไปโทร่ะบ้านใดเอามานั่งเฮ็ดจังหวะอยู่นี่เดินจมก้มอยู่นี่มันเริ่มมีสิทธิ์มีธรรมครบหมดเด็ดหนึ่งกายที่กระบนไ้ไป็นข้าศัตท์โบนไปหลักศัพท์สิทธิ์นนจะมาหลับกระได้บ่หลับก็ได้นีย่ยพอวางมันนี่คำพูดคำจาเขาเนี่ยมีผู้ใดมาถามเขากล่ว่าดี้ๆแบบนี่ใจเขาก็คิดน้อมนาวเข้ามาเต้นในตัวเขาอยู่มนต์มันครบมดบป็เดียว ก็เลยเห็นเลยรู้เลยเข้าใจสัมผัสแนบแน่นอยู่อันนี้หน่อจิตใจสะอาด จ, จิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์นั้นพองแผ้วว่องไวนั้นเพลินว่าจิตใจของพระพุทธเจ้าวะจันเฮาก็ต้องพีปองให้มันได้พระพุทธเจ้ามาไวมมอเฮานี่ได้บอบันนี้อย่างที่ทุกถ้าหากว่าเฮานั่งอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยญาติโยมคือกันครูบาอาจารย์เกินทุกองคนี้จิตใจก็สบายอยู่สื่อ น, นี่ อันนี้ลักษณะจิตใจสงบเสื่อเได้นี่สงบอยู่นัสิเพราะว่าเขาฟังอยู่เนี่ยเขาโบ้ได้เห็นแต่มันก็มีอยู่นี่แต่เขาเอาโบ้เคยเห็นจากเธอโบ้เคยรู้จักว่าจิตใจสงบเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะเขาบ้รู้จักจกเสือโอ้จิตใจสงบนี่คือคนกับจิตใจพระพุทธเจ้าเนี่ยเนี่ยันเขาคิดตั้งเตี้ยเขาโอ้จิตใจสงบนี่ไม่จิตใจพระพุทธเจ้าเนี่โอ้หลักก็มีพระพุทธเจ้าใน น, น้อยเกิดขึ้นแล้วเนี่เขาเก่ารู้จักโลตินว่าเขามีอ่ เขามีเงินบาทหนึ่งยึดในถงเสื้อเขาเนี่ยมีคนมาถามเขาก็ะจิบหัจักแลยว่ามีเงินเท่าไดเจ้าอ่ะมีบาทหนึ่งเงินเป็นเหรียนระบาทหรือเป็นใบละบาทเขากระจิบหัวจักเลยว่ถ้าเขามีใบละห้าบาทไปเยยึดถุงเสื้อเขาเนี่ยมีคนมาถามเจ้ามีเงินบ่างมีมีเท่าไดรมีห้าบาทเป็นเหรียนห้าบาทหรือเป็นธนบัตรใบละห้าบาทเขาก็ะจิบหัวจักเลยว่าเงินเขามีบัตรนี้เขามีเงินใบสิบาทบัตเนี่ยมีคนมาถามมากระจิบจักว่าใบสิบบาทโดยเดียว นี่เดี๋ยวนี้มีใบใบห้าสิบก็มีได้เดี๋ยวนี้แต่ก่อนโบทันมีมีใบละยี่สิบบาทบัดเนี่ยเขาก็บอกว่ามียี่สิบาทโดนบัดเดียวเพราะเขาเห็นได้ใจมันเห็นยืดถุงเสื้อกระทตาร้างยืดแท้กระตามเขาจับไว้แล้วมันเอาเงินเนี่ยมันเห็นมีเงินยี่สิบบาทก็บอกว่าบีงเงินยี่สิบาทมีห้าสิบบาทเขาก็บอกบีงห้าสิบาทแต่ก่อนมีแต่ใบละร้อยใบละห้าร้อยเดบมีแต่ก่อนเมื่อยน่าพ่อไปปฏิบัติธรรมะเนี่ยพ่อกระหืดอยากอ้อ อันคของอย่างนี้ถ้ามันมีแล้วมีผู้ใดมาถามมันหัวจักโลดวะสิบัดนี้คนบ่มีเงินได้บัดเนี่ยเจ้ามีเงินบ่สิมีสิยู่ใส่สยืดธนาคารคุณบ่มีเงินผู้หน่งอวดดีซื้อเนี่ยบางทีบ่มีเงินในธนาคารก็ตั้สร้างได้เนี่ยบางคนบ่มีได้เงินธนาคารกันได้ว่าซื้อซื้อว่าเจ้าของมีเงินน่เนี่ยอันนี้เขามีเงินเงินธนาคารก็มีบัเนี่ยยืดถุงเสื้อก็มีแท้ๆดิน่ะจงว่าคนอวดดีกับคนมีดีอมาวัดมันจึงต่างกันให้เข้าใจจังสัน ถ้าหากขเขาบอกเข้าใจอย่งนั้นแลยจะไปเจอเขากับคนอวดดีลองจะไปเสือ้อได้หนึ่งอย่าเสือ้อผมบอกบอกให้เสือเ้อแล้วต้องทดลองต้องปฏิบัติถามมู่ญาติโยมนี่ก็คือการถามพระเจ้าพระสงฆ์คือกันต้องปฏิบัติให้รู้จักโตเราให้รู้จักรูปผู้จักนามนี่แหละทีแรกก็เมื่อรู้จักอันนี้ก็ผู้จักเป็นขั้นเป็นตอนไปเป็นเอิญปฐมสารทุติยสารตัติยสารจะตุทษานปัญจามาสารผืนหวานเขาบวาก็ได้ จิตใจเปี่ยนครั้งที่หนึ่งเป็นยัง้งนั้นโยมันหูจักรูปนามนี่โรดไปนนี่จิตจิตจิตใจเปี่ยนครั้งที่สองเป็นยั้งั้โยโทสะโมหโลภะนี่มนุษย์ลดน้อยไปแล้วได้เนี่วันนั้นจิตใจเปี่ยนครั้งที่สามเป็นยังโยกิเลตันหาอุปทานนีมันบุยึดบุถือแล้วได้เดียวนั้ น, นจิตใจเปี่ยนเป็นขั้นเป็นตอนไ ป, ไปจนเท่ามีสิทธิย่างสมบูรณ์ย่างอย่างพอวานีเนะี่ยก็เลยรู้จักจำพวกากามกาลมาสาวะ กามมาเนี่ตกยนต์นของกามคืออารมณ์ยินดีรักใครพอใจในอารมณ์เพิ่งเอิญกามมาสาวะอาสาวะคือกิเลสเท่านจำวะอย่าดีใจอยาเสียใจพนว่าอย่างสัน้นอันนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ฟังหยพัพอเว้าอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยบ่มีดีใจบ่มีเสียใจอยู่ซื่อนี่บางคนก็เบื้องใจตัวเองบางคนกเขาเบือบ้อะเบิ่งพุ่นเบิง้งที่นี่มองไปลืมอนตนเลือลเล่อนตัวเลยบางคนก็ดูลมหายใจเบื้องจิตเบื้องใจตัวเองดิว่ามันมีแล้ว ของมีแล้วทางนั้นที่อย่าพเวาอยู่เนี่ยบุตรชาเป็นวาขบุมีเด้ของมันมีได้เนี่าเอามาวาให้ฟังเนี่ยจะมาบ่าต้องศึกษาก็ะไดถ้าหากปฏิบัติถึงที่สุดแล้วก็ต้องถึงจริงๆริ ง, จ, รงจะาสัญญาขัมหมายรู้จาได้เพราะมันมีถ้ามันบุมีมาที่จําได้บ่มันต้องเข้าใจทังสั้นที่อย่าพรวาให้ฟังเนี่บ่อยากเรื่องนี้เมื่อรู้จักอันนี้เราทําบุญด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทั้งสามย่างครบ สมบูรณ์แล้ววิวรถบัตเดียวมันขาดช่วงออกจากกันพุทธรถบ่าเดียวนี่อันมันคาดออกจากกันบุญเม่อจีว่าขาดจังซีได้มันเป็นบ่เป็นที่เป็นน้องกันสมมุติเอาซื้อเนี่ยบ้านหลวงพอมีหิ้งสามขาเขเจ้าจไปหาปูหาปลาหาเนื้อมาเขาจะให้หิ้งสามขาไปย่างอย่ม า, ามันเน่าเป็นว่ามีหิ้งสามขาสุกบรมเอาเออกขานึ่งแล้วยังสองขากป็นยังหนานลมอยู่ บันนี้เอาออกทังสองขาเออออกเอาออกขาเดียวตั้งโบชูแล้ว บ, บันนี้ลมพัดกับลมลด บ, บนันเดียวอันนี้ก็คือกันถ้าหากทําลายโทสะโมหะโลภะออกไปแล้วเพราะเขาโบหลงเพราะเนียว่าย่าหลงโตย่าลืมใจย่าหลงเนื้อหลงตัวเขาเบื่งการเคลื่อนการไหวมันนึกมันคิดอันนี้เป็นวิธีที่จะเข้าไปอ น, นันตถ้าหากบ่เบื้งอันนี้บ่มีวิธีที่เข้าไปเนี่ยพอ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 มันคิดมันเห็นมันรู้นี่แหละบัดนี้มันบุกโก้ดนี่แหละกระแสพระนิพพานนะจีวัฒว่าเขาไปนิพพานให้มันได้จีวัฒว่าเขาได้ใจสงบแล้วบัดนี้ใจสะอาดเขาต้องเห็นมันเนี่ยขันสะอาดก็ะปลว่าเขาเห็นนั่นแล้วขันวดสะอาดจะเบิ้งพี่อย่ากไปเห็นองซีแล้วโอ้ดีเนาะเนี้เขาเบิ้งองศีสะอาดคนเอื้นใจสว่างจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบมันมันสามารถที่จีมองเห็นอย่างสั้น เป็นว่าจิตใจสะอาดจิตใ จ, จสว่างจิตใจสงบวนี่ยจิตใจบริสุทธิ์ไปใส่มันสะอาดพ้องใสเ่เลยจึงว่าคนเจริญวิปัสนามีสติมีปัญญาพ้องใส่ตัดสิ่งใจลงไปโบผาดเลยทําการทํางานโบผาดผิดเป็นว่าอย่างนั้น<บ>เพราะมันหูวจักเนีบไม่ตัดสินใจพ่อจิตใจเศราเาเ้าสุนจิตใจหดหูด้จิตใจเศร้ามอง จิตใจคุ่นมัวบเมนทางซันเนเหนียวพวานจิตใจบรรพองแผ้วว่องไวพองใสาสามารถที่จะรู้ในปัจจุบันของ